ตกนะก็ทำให้ดินนะให้ต้นไม้นะได้ชุ่มฉ่ำนะเหมือนเหมือนดินเหมือนต้นไม้ได้ได้ของมีค่านะนะได้ของขวัญที่วิเศษนะชีวิตเราก็เหมือนกันนะนะถ้าเราสามารถเข้าถึงนะความสงบความร่มเย็นนะ ความชุ่มชื่นเบิกบานในชีวิตนะก็เหมือนกับชีวิตเราได้ได้รับของขวัญพิเศษสหดับชีวิตของเราพวกเราเคยแบบมีในท้ายมีสโลแกนนะหรือว่ามีคำขวัญของชีวิตเราไหมอาตมานะก็ ลองย้อนกลับไปดูนะกออ็มันก็เหมือนชีวิตเราก็เหมือนการการเรียนรู้นะการเดินทางนะค่อยๆพัฒนาออในวิธีคิดนะหรือว่าในการใช้ชีวิตนะการการที่เรากลับมาดูส โ, โลแกนของชีวิตเรานะมันก็เหมือนเราได้ทบทวนเส้นทางที่เราเดินผ่านๆมาจะถึงวันนี้นะ อย่างจำได้ตอนเด็กๆก็ไม่เด็กมากนะสมัยมัธยมแบบนี้นะเวลาทาหนังสือรุ่นนะ่ะเขาก็จะให้เขียนคล้ายๆคตินะ่ะคติประจำใจคืออะไรนะเราก็จาได้เราก็เขียนว่าเออเกิดมาทั้งทีนะเอาดีให้ได้นะ่ะจะตายทั้งทีนะฝากดีเอาไว้นะ่มันก็ เขียนแล้วก็รู้สึกว่าเออตัวเองตัวเองมีอะไรเป็นเป็นหลักยึดนะดีๆนะคือการทำคือการทาดีนะนะทดีนะนะไว้กับโลกนี้หรือว่าฝากความดีไว้กับโลกนี้นะแต่มาระลึก ถ, ถึงตอนนี้มันก็เหมือนมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนเราเองก็อยากเหมือนจะอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะ แล้วก็ฝากชื่อเสียงไว้นะในขณะที่มีชีวิตรหรือว่าแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังอยากจะมีชื่อเสียงที่ฝากไว้บนโลกนี้นะมันก็มองชีวิตคือมันต้องประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงนะ่ะถึงจะเป็นชีวิตที่ดีก็เป็นมุมมองแบบวัยรุ่นเนาะมุมมองแบบวัยรุ่นแต่พอขึ้นมามหาลัยก็ ก็รู้สึกเรื่องเรื่องการประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเรื่องชื่อเสียงก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้มีความคาดบวังหรือไม่ได้เห็นเห็นว่ามันมีคุณค่าน้อยลงนะพอเวลาทํากิจกรรมพอได้ศึกษาเรื่องเรื่องสังคมเรื่องของโรคมากขึ้นนะก็รู้สึกว่า ม, มีคนที่ ทุกยากมีคนที่ลําบากมีคนที่ด้อยโอกาสอยู่เยอะนะเราก็อยากที่จะแบบทําตัวช่วยเหลือคนพวกนั้นนะรู้สึกว่าการช่วยเหลือคนพวกนั้นมันมีค่ามากกว่าการที่เรามีชื่อเสียงนะยังจําได้มีวิชาหนึ่งที่อาจารย์เขาเคยถามว่าออคนเราเกิดมาทําไมนะเราเองก็มีความมั่นใจใน ในตัวเองพระสงคัวนะตอนนั้นก็มองหน้า <c oughs> อาจารยนะ์อาจารย์เองเขาก็คงมีเซนน์ะประมาณว่าถ้านักศึกษาคนไห น, นเวลาอาจารย์ถามแล้วเราไม่หลบตาเนอะมองหน้าเนี่ยแสดงว่านักศึษาคนนั้นเขาเขามีคําตอบหรือว่าเขาอยากจะตอบนะอาจารย์ก็คงเห็นเพื่อนๆหลายคนอาจารย์ถามว่าคนเราเกิดมาทําไมนะ เ, เพื่อนเนักศึกษาหลายคนก็คงไม่ค่อยกล้าศบหน้าอาจารย์นะแต่เห็นเราศบตาอาจารยนะ์ก็เลยให้เราตอบนะตอนนั้นก็ความคิดนะก็เคยทบทวนเะรื่องการเกิดมาทําไมอยู่หลายครั้งนะแต่ก็ได้คําตอบกับชีวิตว่าจริงการเกิดมาทําไมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คําถามที่จําเป็นแบบไม่จําเป็นต้องก็ออตอบประมาณว่า เกิดมาทำไมเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสาคัญตรงนั้นนะแต่เราให้ความสำคัญว่าเราเกิดมาแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะสาคัญกว่าก็ต่อไปแบบนั้นนะเพราะก็รู้สึกว่าการที่เกิดมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้เนาะเมื่อมันเกิดมาแล้วก็ไม่ต้องไปถามหรอกว่าเกิดมาทำไมทำไมเราถึงต้องเกิดมาด้วยนะ่ะอันนั้นเรา เราแก้ไขไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้ก็คือว่าเราเกิดมาเกิดมาเพื่ออะไรนะหรือว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะสำคัญกว่าตอนนั้นก็คิดว่าอยน่นั้นแหละนะการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะหรือว่าทำหนะ้าที่การงานที่เรามองว่ามันเป็นประโยชน์มันมีคุณค่านะ ก็ไม่ได้หวังเรื่องเรื่องชื่อเสียงกิจยศหรอกแต่หวังว่าชีวิตเราจะมีค่าถ้าเราได้ทำสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะต่อโลกใบนี้บ้างนะก็มองอย่างนั้นนะแต่บางทีก็ทำไปแล้วก็รู้สึกว่าบางทีพอเราอยากจะช่วยคนอื่นหรือนะอยากจะช่วยสังคมบางทีมันช่วยไม่ได้นะอ่านะ อาจจะด้วยเหตุปัจจัยห ล, หลายอย่างนะแต่บางทีชีวิตเราก็ทุกนะทุกเพราะว่าอยากจะทาดีทุกเพราะว่าอยากจะเรียกร้องความชอบธรรมในะในสังคมหรือทุกเพราะความคาดหวังจากผู้คนให้ให้เขาเปลี่ยนแปลงให้เขาเข้าใจนะในหลายครั้งทางานไปก็รู้สึกทุกข์ใจนะเวลามีปัญหาหรือเวลาที่เรารู้สึกว่า ทำไมมันไม่ก้าวหน้าแต่ทีไม่พัฒนาแต่ทีมันก็มันก็ทุกข์ใจนะทุกข์ใจก็ถามตัวเองนี่ทําไมเราทําดีทําไมเราเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมความชอบธรรมทําไมทําไมใจเราทุกข์นะเดืดเกินนก็เลยเกิดความรู้สึกนะความคิดว่า อ, อการปฏิบัติธรรมหรือว่าการศึกษาธรรมะนี่ก็น่าจะ น่าจะเป็นคําตอบนะหรือว่าน่าจะเป็นทางออกหรือว่าเป็นการบรรเทาความทุกข์ใจของเราได้นะพอนะเรียนจบก็เลยอยากจะบวชนะอยากจะบวชเพื่อศึกษาธรรมะอยากจะปฏิบัติธรรมเพราะว่าคิดว่าถ้าเรามีธรรมะนะมันก็น่าจะช่วยให้ช่วยให้การใช้ชีวิตของเราที่เหลือมันมันไม่มีทุกข์นะหรือว่ามันทุกข์ลดน้อยลงนะ แต่พอศึกษาธรรมะไปมบางทีมันก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะมันก็ถล้ำลึกเนะี่ยมันก็ชอบนะก็รู้สึกว่าอย่างพระพุทธเจ้าก็พูดนะกน็ไม่รู้รู้พระพุทธเจ้าพูดหรือว่าอ่ารูบาอาจารย์ที่ประพันธ์ประพันธ์ในหนังสือสวดมนต์นะที่ตอนทท้ายที่บอกว่าอืมทําอย่างไรการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้นะจะพึง จะพึงปรากฏชัดแกเราได้พราะประมาณว่าเนี่ยทำยังไงเราถึงจะพ้นทุกข์เนาะนทำยังไงเราถึงจะเป็นพระอรหันต์ประมาณานั่นนะพอมาบวชก็เลยแบบเออแทนที่จะตาแรกก็คิดว่าจะมาศึกษาศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาแบบไม่ได้คาดหวังมากว่าจะเป็นอะไรนะแต่พอบวชไปเอามันเริ่มมีเป้าหมายว่า เราต้องเป็นพระระหันนะเราต้องพ้นจากความทุกข์นะทำอย่างไรเราถึงจะพ้นจากความทุกข์ถึงจะเป็นพระระหันมันก็เหมือนเป็นเป้าหมายที่มันสูงขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหมือนพระพุทธเจ้านะเหมือนพระสาวกทั้งหลายนะมันก็ดูสูงขึ้นแต่มันก็พบเหมือนกันนะว่า พอเราอยากจะเป็นนะแล้วมันไม่ได้นะมันก็ทุกข์พอเราปฏิบัติแล้วอยากจะเอาอยากจะเป็นนะมันก็ทุกข์เหมือนกันนะทุกข์มากๆาเลยอืมทำไมแม้สิ่งที่ปรารถนามันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่สูงมากนะแต่พอเราปฏิบัติแล้วนะมันก็ทุกข์มันก็เห็นว่าที่จริงมันทุกข์เพราะว่า เพราะว่าเราอยากนะอยากมากๆนะชีวิตมันก็เลยเป็นความทุกข์มันก็มันก็เปลี่ยนนะจิตมันก็เปลี่ยนอยู่บ้างเพราะว่ามันเห็นสิ่งพวกนี้แหล ะ, ะแต่พอมาตอนหลังนะก็รู้สึกว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่เราเราเข้าใจมากขึ้นเนาะ หลายๆคงก็สะดุดใจกับคำพูดของขอ ง, ของหลายๆท่านนะเพราะว่ามันก็ตรงกับสภาวะบางอย่างที่ที่เราได้สัมผัสบ้างยังมีในหนังสือหนึ่งที่มีการไปสัมภาษณ์ของอาจารย์โกวิชอาจารย์โกวิดก็ตอนนี้ก็เป็นพาคินสันนะก็ ก็หูก็ไม่ค่อยได้ยินนะก็พูดได้บ้างนะคุณนิ้วกงเขาก็ถามอาจารย์โควิดเรื่องในหลายย่างนะเรื่องความสุขของอาจารย์โควิดนะอาจารย์โวิดก็บอกตอนตอ น, ตอนความสุขตอนนี้ก็คือคือการที่มันไม่ดิ้นดนไม่ไม่มีความทะยานอยากนะไม่มีศัตรูคู่อาฆาต อันนี้ก็คือความสุขของท่านเขาก็เขาก็สงสัยต่อนะว่าเอาชีวิตที่มันไม่มีความทะยานอยากนะก็เราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอังกวิย์ก็ตอบประก็ก็เป็นคำถามที่ตอบยากนะแต่ท่านก็ตอบจากใจของท่านนะว่าเหมือน บางทีคําถามนี้นะอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องการคําตอบก็ได้เพราะบางทีคําตอบก็คือการการคล้ายๆเหมือนตอบสนองความความอยากที่จะรู้นะแต่บางทีการชี้ชีวิตไม่มีความอยากหรือไม่มีความทยานอยากเนะี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่มีคําถามหรือคําตอบ มันสมบูรณ์อยู่ในตัวนะอันนี้ก็รู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกว่าชีวิตที่มันแค่อยู่กับปัจจุบันเนาะจริ่จริงความอยากมันรู้ส ก, การที่เราดิ้นรนเนาะอเพราะว่าก่อนนะอาจารย์ก็พูดไปตอนหนึ่งว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวนะเราก็จะมีความดิ้นรน แต่ถ้าเรามารีความรู้สึกตัวนะมันก็จะเลิกดิ้นรนของมันเองความทยานอยากนะก็คือความดิ้นรนของจิตนะมันถ้าเราขาดสติไม่รู้สึกตัวเราก็ดิ้นรนทยานอยากอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะได้อย่างนั้นอย่า ง, งนะี้แต่พอถ้าเรามีความรู้สึกตัวจิตมันก็หยุดดิ้นรนจิตมันก็ไม่มีความทยานอยาก มันก็อยู่กับแค่ปัจจุบันนะมันก็ไม่มีคำถามไม่มีคำตอบมันเหมือนเมื่อไม่มีคำถามนะมันก็ไม่ต้องมีคำตอบอะไรนะที่จริงเพราะมันมีคำถามนะเราก็เลยได้เราก็เลยมีคาตอบแต่จริงมันก็มีบางสภาวะที่ไม่มีไม่ต้องมีคำถามนะแต่มันก็ได้คำตอบของชีวิตของเรานะว่าแต่คำตอบบางทีมันไม่ใช่เป็นคำพูดนะ คำต่อมันเป็นเหมือนแค่ความรู้สึกเวลาเรารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจริงจริงนะมันเหมือนมันเหมือนคำตอบของชีวิตเราก็รวมอยู่แค่ตรงนั้นนะเหมือนชีวิตมันมีแค่แค่ปัจจุบันไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นนะมันก็จบง่ายๆ่ายนะไม่ต้องที่จะเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องไปถึงที่ไหนก็ได้ แต่มันเพียงแค่รู้สึกว่าชีวิตเพียงแค่หายใจอยู่เนี่ยมันก็แล้วรู้สึกตัวนะมันก็พอของมันแค่นั้นนะหรือบางครั้งจิตมันก็หลงไปบ้างมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่หลงแต่มันหลงไปแล้วเราก็ค่อยแล้วเราก็รู้สึกตัวมันมันก็พอแบบนั้นนะจะเรียกว่าไม่ ไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ก็ไดนะ้ไม่ต้องพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงด้วยความที่เราอยากจะเป็นนะก็ไดนะ้แต่ขอเพียงแค่เรารู้สึกตัวนะบางครั้งก็รู้สึกตัวนะแต่บางครั้งก็ไม่รู้สึกตัวบ้างนนะก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ต้องพยายามมากเกินไปนะบางที บางครั้งถ้าเราปฏิบัติแบบพยายามมากเกินไปนะมันก็ตึงมันก็ตึงหรือว่ามันก็รู้สึกว่ามันจะเอามากเกินไปนะมันก็จะเป็นความทุกข์แบบที่เราบวชใหม่ๆแล้วนะอยากจะเป็นอยากจะได้นะมันก็ทุกข์เล้ละมันก็กลับมาแต่พอที่จริงพอภาวนาไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะมันก็แค่สัมผัสรู้นะ สัมผัสรู้สึกที่จริงร่างกายของเรานะมันร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันมันตรงมากมันซื่อมากนะความรู้สึกเนะี่ยความรู้สึกของกายเนี่ยมันแสดงออกชัดเจนมากอนะร่างกายเขาแสดงความรู้สึกตลอดเวลาเลยอนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้มันซื่อๆไม่ได้สัมผัสมันตรงๆเฉยๆนะ เราก็เลย ล, ลืมความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนาะที่อย่างร่างกายเขาเคลื่อนไว้เขากระทบเขาสัมผัสตา่ตางๆเนี่ยเขาหยุดบ้างอะไร น, นันแหะมันเป็นความรู้สึกตัวที่ให้เราเกิดการสัมผัสให้เราได้รับรู้เนี่ยมันตรงๆมากๆเลยถ้าเราเพียงแค่รู้เฉยๆธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรละนะ ก็เพียงแค่รู้ไปเรื่อยๆหรือบางครั้งจิตเราก็ควบคุมไม่ได้นะบางครั้งมันก็คิดบางครั้งมันก็ไหวไปบ้างนะก็ไม่ไม่ต้องไปควบคุมมันเราก็เพียงแค่รู้ทันมันไม่ต้องห้ามความคิดไม่ต้องบังคับจิตมันจะคิดก็ปล่อยมันคิด เราก็เพียนแค่รู้รู้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็มันก็หยุดความคิดของมันเองนะหรือรู้แล้วความรู้สึกมันจะเกิดมันจะดับมันจะไปต่อหรือมันจะไม่ไปต่อก็ไม่เป็นไรนะมันจะสุกต่อก็ปล่อยให้มันสุกมันจะทุกต่อก็ปล่อยให้มันทุกนะเราก็แค่รู้เฉยๆของเราไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นไร่นะเหมือน ถ้าเราทําแบบนี้นะมันก็เหมือนชีวิตมันก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรเนะีร่างกายเขาก็สแสดงการสแสดงความรู้สึกเนาะชัดเจนนะเราก็เพียงแค่รู้นะรู้มันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละหรือจิตใจเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเขาจะบังคับไม่ได้เป็นไปอะไรก็เรื่องของเขาเถอะนะเราก็เพียงแค่รู้มันเฉย เนี่เป็นชีวิตที่ที่อยู่กับปัจจุบันนะมันก็มันก็น่ามหัศจรรย์นะชีวิตนะชีวิตจริงๆมันไม่มีอะไรนะชีวิตมันจริงๆมันก็คือแค่ปัจจุบันนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปอยู่นะแต่เหมือนเป็นปัจจุบันที่เพียงแค่การแสดงขึ้นแล้วเราก็เพียงแค่ แค่รับรู้นะเพียงแค่รับรู้ถึงสิ่งที่เขาแสดงขึ้นมาเราก็เพียงแค่รับรู้นะแต่เมื่อวานเนะี่ยที่ฟังหลวงพ่อท่านพูดนะเขาสึกคําพูดที่ที่ชัดเจนแล้วก็เด็กดข่าตัดหลวงพ่อนะที่บอกมันคล้ายๆล้หลวงพ่อบอกไม่เข้าไปอยู่ในความ ไม่เข้าไปเป็นผู้รู้แล้วก็ไม่ไม่เป็นผู้หลงไปเป็นผู้รู้ก็ไม่ใช่เป็นผู้หลงก็ไม่ใช่นะหลวงพ่อบอกมันหลงนะเราก็รู้สึกตัวนะแต่เราไม่เข้าไปเป็นผู้รู้แล้วไม่เข้าไปเป็นผู้หลงคนะือการไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะมันรู้เออมันหลงเราก็เพียงแค่รู้แต่เราก็ไม่ต้องไป เข้าไปอยู่ในความรู้นั้นนั้นนี่คือสภาวะที่ที่สําคัญมากสภาวะที่สาคัญคือเราไม่ไม่ติดทั้งสองทางเลยทั้งรู้แล้วก็หลงนะแต่เรารู้ว่ามันหลงแต่เราไม่เข้าไปอยู่ในความรู้นั้นเนี่ยนี่สำคัญที่สุดเลยนะว่ า, าถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกเลยนะก็จะเข้าไปเป็นผู้หลงนะะตลอดเวลานะหลงสุขบ้างหลงทุกข์บ้าง แต่บางทีนับปฏิบัติทำบางทีก็ก็อยากจะยึดผู้รู้นะอยากจะเอาแต่รู้นะอยากจะประคองตัวรู้แต่สิ่งที่หลวงพ่อทสอนน่ะคือเนี่ยแหละหลงกับรู้นะก็เป็นเพียงแค่สภาวะแต่ท่านไม่ให้เราเข้าไปเป็นกับทั้งสองสภาวะนั้นๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ที่สําคัญมากนะ มันคือเป็นเพียงแค่สภาวะที่เพียงแค่สัมผัสนะแล้วก็วางมันไปนะรู้แล้วก็วางไปมันมีชีวิตนะนะเหมือนการหายใจก็เพียงแค่รับรู้นะแล้วก็วางมันไปเราหายใจเข้าก็รู้แล้วหายใจออกก็รู้แล้วนะเดินทีละก้าวก็รู้ไปนะก็วางมันไป เดินก้าวใหม่ก็รู้ใหม่แล้วก็วางมันไปมันเหมือนรู้แบบมันเหมือนรู้แบบแตะๆรู้แบบไม่ได้ไปยึดไม่ได้ไปจับแบบแน่นๆนะสัมผัสแล้วก็รู้นี่แหละคือไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในการมีชีวิตนะั่นเนาะชีวิต ไม่ต้องมีคําถามไม่ต้องมีคําตอบอะไรมากมายก็ได้นะในทางเรื่องของเรื่องของจิตใจอเนาะแต่ในเรื่องทางโลกเองมันอาจจะมีคําถามมีคําตอบเพื่อเราใช้เกี่ยวข้องกับโลกหรือเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะักึันก็อาจจะมีบ้างนะเป็นบทสนทนาเป็นการพูดคุยเป็นการทํางานนะอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาก็มีไปบ้าง แต่คําถามในชีวิตของเราความสงสัยในชีวิตนะหรือว่าเป้าหมายในชีวิตนะบางทนะีก็ไม่ใช่บางทีหรอกถ้าเราสามารถสัมผัสกับความรู้สึกตัวยนะในปัจจุบันได้นะมันก็เหมือนจุดความสงสัยหยุดการสแสวงหาหยุดการดิ้นรนของจิตนะ่ะมาสัมผัสรู้ลงเฉยๆเนะี่ยมันก็ มันเหมือนได้อะไรในชีวิตแต่ก็ได้แบบไม่ได้จะเอาไปอะไรนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าอย่างมาก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ตลอดเวลานะมันก็ไม่ได้มันจะเป็นตลอดเวลาแต่เราก็แค่สัมผัสว่าไอสภาวะพวกนี้มันเป็นสภาวะที่เหมือนมันได้คำตอบอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้จะไปตอบใครไม่ใช่จะตอบอะไรนะมันก็เหมือนแค่แค่สัมผัสได้ในคาพูด ที่คนเขาพูดมันสัมผัสได้ในสภาวะธรรมที่มันมันรู้สึกสงบมันรู้สึกนิ่งมันรู้สึกว่าไม่ไปหน้าไม่มาหลังอะไรนะมันอยู่แค่ปัจจุบันก็ไม่รู้เหมือนกันนะพวกเราสัมผัสได้มากน้อยขนาดไหนนะักเข้าใจตรง น, นี้มากน้อยขนาดไหน เห็นใจเราที่มันดิ้นรนทยานอยากไหมนะสัมผัสได้กับสภาวะที่มันไม่ดิ้นรนไม่มีความทยานอยากหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราสามารถสัมผัสกับสภาวะใจที่มันที่มันหยุดดิ้นรนนะหยุดทยานอยากเพียงแค่รู้นะเฉยๆรู้ธรรมดาเนี่ย มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่นะตรงที่สุดนะนะในการศึกษาธรรมะนะในการที่เราออกบวชก็ดีหรือว่าไม่ได้บวชก็ดีนะที่เราได้ปฏิบัติธรรมนะที่เราได้ใช้ชีวิตนะในการที่เรามีชีวิตนะในการที่เราเกิดมาในการที่เรามีเวลาอยู่บนโลกนี้นะ เราจะใช้ชีวิตอย่างไรเนะ่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่มันมันมันรู้ได้เฉพาะตนของเราเนาะนะก็ให้เราก็ผมไม่ใช่เป็นการบอกการสอนอะไรนะก็เป็นการเล่าให้ฟังนะในในในเรื่องราวของชีวิตนะที่เปรียบเสมือนเป็นการเดินทางนะตั้งแต่ตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่โตขึ้นมามันก็ผ่านผ่านประสบการณ์หรือผ่านวิธีคิดในะหลายๆอย่างนะมาเรื่อยๆนะแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้มันก็ได้ได้ความรู้สึกแบบนี้หรือว่าได้คำตอบแบบนี้เนาะพวกเราหลายๆท่านเองก็ผ่านเรื่องราวในชีวิตมามามากนะก็กมีประสบการณ์ชีวิตมาม า, มาก แต่ถ้าเราได้สัมผัสกับสภาวะนะที่มันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนะมีแต่ปัจจุบันที่รู้อยู่เฉยๆนะก็ไม่ใช่ว่าอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันก็เพียงแค่รู้นะชีวิตก็เหมือนแค่จุดจุดหนึ่งนะนะแค่จุดจุดหนึ่งที่มันดำรงอยู่ในขนาดนี้นะมันก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้น ไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้หรือนะที่ผ่านมามันเป็นอะไรมันก็มันก็ผ่านไปแล้วนะมันก็เป็นเพียงแค่จุดจุดหนึ่งเหมือนกับเก้าที่เราเดินผ่านมานะมาเนิน์นานละมาหลายแสนหลายล้านเก้าละนะมันก็เป็นเพียงแค่เก้าที่ผ่านมานะแต่เก้านี้นะมันก็เพียงแค่จุดจุดนี้อนาคตมันจะเก้าไปไหนมันก็ไม่เป็นไร ไม่ไปไหนก็ไม่เป็นไรนะมันก็มีเพียงแค่เรารับรู้นะในสิ่งที่กระทำหรือรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะในใจนะนี่ก็เป็นความรู้สึกตัวนะที่ที่มันเกิดขึ้นนะในชีวิตของเรานะก็ก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับนะสังเกตดูความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นกับกาย ในืความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นกับสภาวะในจิตใจเนาะในความรู้สึกตัวนั่นแหละมันมีทั้งมันมีคำตอบนะของทุกสิ่งทุกอย่างนะในชีวิตนะความสงสัยความไม่มั่นใจสิ่งต่างๆมันก็จะหมดไปนะเราก็จะสามารถสัมผัสได้กับการที่เรียกว่ามีชีวิตแบบมีชีวา มีชีวิตแบบมีความสุขนะเหมือนกับเหมือนกับต้นไม้นะมันได้น้ำนะมันได้ความสดชื่นนะในการที่จะเจริญเติบโตขึ้นมานะแต่ที่จริงแม้ถึงคราวที่เขาเจอแดดนะเขาก็ไม่เขาก็ไม่บ่นเขาก็ไม่ท้อหรอกนะเพราะว่าการเจอแดดมันก็เป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งนะนะได้ะดิตนะได้แปรนะ คาร์บอนเปลี่ยนออกซิเจน ygen, เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะได้รับแสงมาเพื่อเติบโตในชีวิตนะบางครั้งชีวิตมันเจอความทุกข์บ้างมันก็ดีนะมันทําให้เราได้เติบโตเหมือนกันนะชีวิตถ้ามีแต่ความสุขนะบางทีก็มันก็ไม่โตนะาะทมันกอาจจะทําให้เราติดก็ได้แต่ชีวิตเจอกับความทุกข์นะมันก็ดีนะมันทําให้ เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาขึ้นไปเ น, ะนก็ปากไ้นะครับ